วันนี้พวกเรามาหาธรรมะ ม, มาหาที่พึ่งทางใจเพราะเรามีทั้งสองส่วนเรามีทั้งร่างกายและมี จ, จิตใจร่างกายก็ต้องการที่พึ่งจิตใจก็ต้องการที่พึ่งถ้าเรามีที่พึ่งทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเราก็จะมีที่พึ่งเพียงขึ้นเดียว เพราะว่าเรามีสองส่วนและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่สําคัญน้อยกว่าจิตใจเพราะว่าร่างกายเป็นของชั่วข่าวส่วนจิตใจนี้สําคัญกว่าเพราะจิตใจเป็นของถาวรแล้วก็ ความสุขความทุกข์ของร่างกายก็เป็นส่วนย่อยความสุขความทุกข์ของใจเป็นส่วนใหญ่ความสุขความทุกข์ของร่างกายเป็นของชั่วคราวส่วนความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นของยั่งยืนยาวนานดังนั้น สิ่งที่สาคัญจึงอยู่ที่จิตใจร่างกายนี้ไม่สำคัญเพราะว่าร่างกายนี้ต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีอย่างไรก็ตามร่างกายก็มีกดที่จะบังคับที่จะทำให้ร่างกายนี้ต้องเสื่อมต้องหมดสภาพไปใจของเรานี้ ไม่มีกฎที่จะมาบังคับให้ใจของเรานั้นเสื่อมหมดสมบหมดสภาพไปได้ความสุขหรือความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาในใจมันก็จะอยู่ยาวไปกับใจแต่ความสุขความทุกข์ของร่างกายมันก็จะอยู่เชื่อที่ร่างกายมีชีวิตอยู่ร่างกาย ตายไปแล้วความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็หมดสภาพไปแต่ความสุขความทุกข์ของใจไม่ได้หมดสภาพไปกับการหมดสภาพของร่างกายเพราะใจยังไม่ได้หมดสภาพไปใจไม่มีวันหมดสภาพพระพุทธเจ้าจึงทรงสัจว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในปัญดาสิ่งต่างๆทั้งหลายในสากคมเราโลกนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญยิ่งใหญ่เท่ากับใจผู้ที่ได้ดูแลรักษาใจให้มีความสุขได้ตลอดเวลาก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรดังนั้น การรักษาใจจึงเป็นเรื่องสําคัญการรักษาใจก็คือการมีที่พึ่งทางใจนั่นเองที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรายึดถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางใจไม่ใช่เป็นที่พึ่งทางกายที่พึ่งทางกายนี้ก็คือปัจจัยสี่อาหาร เครื่อ ง, งหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้เป็นที่พึ่งทางร่างกายแต่ที่พึ่งทางใจนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธัทงสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสมังฆังสารนังกัจฉามิผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สดิ ปฏิสถานอยู่ภายในใจผู้นั้นก็จะมีที่พึ่งทางใจผู้นั้นจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็เกิดจากการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นใครเป็นอะไร ท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านสั่งสอนให้เราดำเนินชีวิตของเราอย่างไรถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามได้พอเราปฏิบัติตามได้แล้วเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่ได้อยู่ในใจของเรา ว่าใจของเรายังมีความชุกข์อยู่ถ้าใจของเราไม่มีความทุกข์เมื่อไหร่บทความทุกข์เมื่อไหร่ mm hmm. ก็แสดงว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราสมบูรณ์เต็มสมบูรณ์ mm hmm. ดังนั้นการเข้าหรือการให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเรานั้นจึงต้องเกิดจากการศึกษา ในเบื้องต้นหลังจากศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาเอามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm. ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจตอนมีพระพุทธธรรมพระสงค์ปรากฏใใากภายในใจความทุกข์ภายในใจก็จะถูกดับไป เพราะพะพุทธพรรมพระสงค์นี้เป็นเหมือนแสงสว่างส่วนความทุกข์ภายในใจนี้เป็นเหมือนความมืดที่ไหนมีความสว่างมีแสงสว่างที่นั่นก็จะไม่มีความมืดที่ไหนไม่มีแสงสว่างที่นั่นก็จะมีความมืดตอนนี้ใจของพวกเรายังมีความมืดอยู่ความมืดที่เกิดจากความหลงโมหะ เกิดจากววิชาความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองดังนั้นเราจึงต้องศึกษาให้รู้ความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าคืออะไรเป็นอะไรเช่นพระพุทธเจ้าเป็นใครทอไมเราถึงถือว่าท่านเป็นฌานะเป็นที่พึ่งของเรา เราก็ต้องศึกษาพระพุทธประวพระธรรมคำสอนเป็นท่านสอนว่ายอย่างไรเราก็ต้องศึกษาดูเพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้พระอริยสงสาวกท่านเป็นใครท่านจึงเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ก็ท่านก็คือผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จนปรากฏมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นภายในใจของท่านทาให้ท่านมีที่พึ่งแล้วก็สามารถเอาที่พึ่งที่ท่านได้มีนี้เอามาถผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่แหละคือเรื่องของการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร ท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรจึงทำให้ท่านกลายจากบุตรชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านมากลายเป็นพระพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้ตัดสัรู้ธรรมที่ทำให้พระทายของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเยือนว่ายตายเกิดทั้งหลาย เราก็ต้องเริ่มศึกษาพุทธประวัติถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครสแสดงว่าไม่ใช่เป็นพุทธแท้พุทธแท้ต้องรู้ภาพประวัติของพระพุทธเจ้า mm hmm. เช่นภาพรประสูตหลัสจะรู้สแสดงทรงสแสดงธรรมครั้งแรกที่ไหนเมื่อไหร่และทรงสเสด็จดับขันธการินิพพานไป อันนี้จะเป็นการศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านเกิดมาในตระกูลใดท่านมีสถานะ า, าพอย่างไรแล้วทำอะไรถึงทำให้ท่านออกบวชทำให้ท่า น, นแสวงหา การหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการไปอยู่ในป่าในเขาเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาจนได้ตัดสรู้พบพระอริยสัจ ส, สต้นเหตุความจริงของความสุขและความทุกข์ภายในใจหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วต้องทรงนาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ มาเผยแผ่สั่งสอนสิ่งที่ทรงมาสวยแผ่สั่งสอนก็คือพระธรรมคําสอนถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนพวกเราก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติหรือแม้จะรู้พุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติในตระกูลของกษัตริย์และทรงออกบวชและทรงตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้า แต่ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนเราก็จะไม่รู้ว่าการที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นทาอย่างไรเส้น <c oughs> มีพระพุทธเจ้าบางพระองค์ที่หลังจากทรงตรัสรู้แล้วก็ไม่ประกาศพระธรรมคำสอนพระองค์ก็เป็นพระปฏิเจตนกพระพุทธเจ้าเธอรู้จำพาะตน รู้แล้วไม่เอาความรู้ที่ที่ได้รู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้แต่ถ้ารู้แล้วนำเอาความรู้ที่รู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะได้รู้จักว่านี่คือพระอรหันต์ตัส ม, มาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้หลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วในเบื้องต้นก็มีความท้อแท้พระไทย ไม่ทรงอยากที่จะนำเอาเพราะธรรมคำสั่งสอนมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นคำสอนที่ยากสําหรับสัตว์โลกทั้งหลายที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ถึงนี่คือคงจะเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าบางองค์บางรูปไม่ประกาศพระธรรมคำสอนเพราะทรงช่อพระทัย ตรงเห็นว่าสอนแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์ผู้ฟังไม่สามารถที่จะน้อมนาเอาไปปฏิบัติได้เหมือนกับอาจารย์มหาวิทยาลายัยเห็นเด็กอนุบาลนี้แต่สอนวิวชาแพทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาลนี้ก็คงเห็นว่าไม่ไหวสอนไม่ได้ความรู้ของเด็กสติปัญญาของเด็กอนุบาลนี้ มันไม่อยู่ในขั้นที่จะรับความรู้ระดับแพทยศาสตร์ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พระพเจดครับพระพุทธเจ้าไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนแต่สำหรับพระพุทธเจ้าของเรานี้พระ อ, องค์ในเบื้องต้นก็เกิดความพอพรอฝัยแต่หลังจากที่ได้ใช้เวลาพิจารณาดูก็ทรงเห็นว่า คนนี้ระดับโลกนี้ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนระดับโลกนี้มีระดับสติปัญญาต่างกันระดับอนุบาลก็มีระดับปฐมก็มีระดับมัธยมก็มีระดับปริญญาตรีโทเอกก็มีเมื่อทรงพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เลยทรงเกิดมีพระอุสาหาวิริยะว่ายังมี พวกที่ยังสามารถที่จะรับรู้คําสอนของพระองค์ได้อยู่เป็นผู้ที่เป็นอาจารย์ทางแพทยศาสตร์ก็ยังเห็นว่ามีเด็กที่เรียนจบมหาลั ย, เ, ยเรียนจบระดับมัธยมเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับคําสอนได้อยู่พระองค์ก็เลยส่งมุ่งไปที่บุคคลที่จะรับคําสอนได้ บุคคลที่ทรงแยกแย ก, ก็มีสี่ระดับระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยบุคคลสี่ระดับนี่เป็นภาษาปัจจุบันและภาษาโบราณนั่นก็เรียกว่าบุคคลบัวสี่เหล่าทรงเปรียบคนมนุษย์ สัตว์โลกนี้เป็นเหมือนบัวสี่เหล่ามันบัวที่พร้อมที่จะบานบัวที่อยู่เหนือน้ําแล้วพร้อมที่จะบานพอได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์นี่เป็นเหล่าบัวเหล่าที่หนึ่งบัวเหล่าที่สองก็เป็นบัวที่อยู่ดื่มน้ําต้องรอให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก่อนใช้เวลาวันสองวันแล้วพอได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมา ลำบัวพวกที่สามก็บัวกลางน้ำบัวที่ยังยังอยู่กลางน้ำอยู่ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้และพวกที่สี่บัวเหล่าที่สี่ก็บัวที่ยังอยู่กับโคลนกับตนกับโคล น, ก, คนกับต้นอยู่เพิ่งจะเจริญ ง, งอกน้ำเพิ่งจะเจริญเติบโตขึ้นมาจากจากโคลนตมบัวชนิดที่สี่นี้เป็นบัวที่ โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนี่จะยากเพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปเสียก่อนนี่คือตรงการพิจารณาของพระพุทธเจ้าในในสถานภาพคือสติ ป, ปัญญาความรู้ของสัตว์นกตรงเห็นว่ามีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับที่อยู่ต่าสุดก็คือบัว ที่อยู่กับโคนกับดมนี้รงต้องตัดไปเพราะจะไม่สามารถรับคำสอนของพระองค์ได้มีบัวอีกสามเหล่าบัวกลางน้ำบัวปลิ่นน้ำและบัวที่เหนือน้ำที่จะพร้อมรับแสงสว่างแห่งธรรมซึ่งเหมือนกับแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่จะทำให้บัวนั้นบานขึ้นมาได้ องจึงทรงไปโปรดพวกที่บัวเหนือน้ำก่อนเพราะว่าจะบรรลุได้ง่ายและรวดเล็วนั้นเองเพราะพร้อมแล้วพอได้สัมผัสกับกระแสะแสงสว่างแห่งธรรมที่ทรงแสดงก็จะบรรลุทันทีเลย ด, ดังที่ครั้งแรกทรงแสดงพระธรรมเทศนา ให้กับพระปัจจวัคคีทั้งห้าธรรมะที่ทรงแสดงมีชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสุรทรงแสดงถึงพระ อ, อริยสัจสี่ธรรมที่ทำให้ทะ อ, องทร ง, ด, งดับความทุกข์ทั้งหลายได้หมดสิ้นไปพอทรงแสดงเสร็จแล้วหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็บรรลุธรรมขึ้นมา บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งธรรมนี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองก็คือพระตะกิดาคามีขั้นที่สามก็คือพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็คือพระอาราหันต์ในแต่ละขั้นนี้ก็จะดับความทุกข์ไปตามลําดับ พอถึงขั้นที่สี่ก็จะดับความทุกข์ได้หมดสิ้นไปเอ็นขั้นที่หนึ่งก็จะดับความทุกข์ได้ประมาณหนึ่งในสี่ขั้นที่สองก็จะดับความทุกข์ได้สองในสี่ขั้นที่สามก็สามในสี่ขั้นที่สี่ก็สี่ในสี่นี่คือขั้นตอนของการบรรลุธรรม ของการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเปนไปเป็นขั้นๆการจะบรรลุทั้งสี่ขั้นนี้ในแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันบางท่านก็บรรลุพวดพาดได้รวดเร็วบางท่านก็ใช้เวลาสายเต้าขึ้นไปทีละขั้นขึ้นอยู่กับความภาคเพียรของการปฏิบัติ ถ้ามีการภาคเปียนอย่างเข้มข้นอไม่มีการไม่มีอะไรมาคอยขัดขวางการภาคเปียนการปฏิบัติการบรรลุผลก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วก็มีอุปสรรคบ้างมีภารกิจอย่างอื่นมามาดึงไปบ้าง อ, อย่างนี้ก็จะทําให้ บรรลุช้าอย่างพระ อ, อ, อนนท์นี้ท่านก็บรรลุเป็นพระสวัสดาบาลถึงยี่สิบกว่าปีถึงจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะเนื่องจากท่านมีภารกิจต้องคอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าทรงประด็จ ด, ดับขันธ์ธาตุปางิพานไปแล้วพระอานอนท์ก็ใช้เวลาเพียงสามเดือนเร่งความเพียรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ นี่คือบุคคลบัวเหล่าที่หนึ่งบัวที่อยู่เหนือน้ำพร้อมที่จะรับกับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาบุคคลที่จะรับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและบรรลุได้ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วเช่นพระปัญจวัคคีย์นี้ก็เป็นผู้ที่ได้บรรลุฌานสมาบัติไนแล้ว ได้รูปประชานได้อารูปประชานกันแล้วได้รักษาสิ่กันอย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ขาดก็คือปัญญาความรู้ที่จะทำให้เห็นเหตุและผลของความสุขและความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นภายในใจพอมีผู้มาแสดงคือพระพุทธเจ้ามาทรงสแสดงเหตุและผลของความสุขและความทุกข์ภายในใจ สามารถระ ง, งับเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้สามารถสร้างเหตุที่ทําให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ก็เลยทําให้ใจนั้นมีแต่ความสุขดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจจนหมดไปได้นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมคือพระ อ, อริยสัจสีนั่นเองที่ทรงสแสดงทุกข์สมุทัยให้โรดมักทุกข์ก็คือ ความทุกข์ภายในใจสมุทัยก็คือเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ภายในใจนิโรธก็คือความดับทุกข์หรือความสุขใจนิโรธนี้ก็คือความสุขใจดีๆนี่เองเวลาที่เรามีความสุขใจก็แสดงว่าเราไม่มีความทุกข์ใจนิโรธแปลว่าการไม่มีความทุกข์ใจการมีความสุขใจและนิโรธนี้เกิดได้อย่างไรนิโรธก็เกิดขึ้นจากการเจริญมั่ง มักที่มีองค์8หรือองสามองแปดก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประซึ่งเป็นองค์เป็นส่วนประกอบของปัญญาสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของสมาธิ เราจึงมีมัชที่เป็นองศาบและองแปดองแปดก็คือสัมมาต่างๆเหล่านี้องศาบก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่คือมัชคือทางเดินด้วยเครื่องมือที่จะทําให้จกิดนิโรธเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความดับทุกข์ขึ้นมาผู้ใดมี มีมรรคผู้นั้นก็จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้เช่นพระปัญจวัคคีย์ก็มีศีลมีสมาธิพอได้นับปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ครบได้ครบมรรคทั้งสามส่วนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาพอได้ศีลสมาธิปัญญานิโรดคือความสุขใจหรือความดับ ข, ของความทุกข์ภายในใจก็ปรากฏขใใึ้นมา ที่คือพระอริยสัจสิที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็สงไม่รู้พยายามไปศึกษากับใครในโลกนี้ก็ไม่มีใครรู้ยังต้องค้นคว้าด้วยพระองค์เองเนื่องจากทรงมีพระปัญญาที่เฉลียวฉลาดแหลมคมเฉ่งกาแก่กล้าสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ จึงได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นที่พึ่งของสามโลกขึ้นมาแล้วก็นําเอาความรู้นี่แหละที่เรียกว่าพระธรรมคําสอนมาถผยแพร่ให้แก่สามโลกทั้งหลายช่นบัวเหล่าที่นง่งิเจอพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพอท่านได้ฟังแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาว ก, กันขึ้นมาอันต้นก็เป็นพระโสดาบันก่อน แล้วหลังจากนั้นฟังพระธรรมคำสอนอีกครั้งสองครั้งก็บรรลุเป็นพระอาหาัยตสสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นเป็นผู้ที่ได้เห็นอริยสัจสี่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็น mm. ก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปท่านจึงได้เป็นพระอริยรสงฆ์ เป็นพระรันตนปไายองค์ที่สามเป็นสังฆ ร, รัตนะหลังคังสานางกัจฉามิขึ้นมานั้นเองนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากการศึกษาและกจากการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเมื่อกี้ได้ทรงแสดงทำให้กับบุคคลเหล่าที่หนึง่ง ในเบื้องต้นนี้พระองจะส่งไปโปรดพวกบัวเหล่าที่หนึ่งพวกนักบวชทั้งหลายไม่ ว, ว่าจะเป็นฤาษีจีภัยหรือบวชในลทัทธิไหนก็ตามถ้ามีศีลมีสมาธินี้พร้อมที่จะรับคำสอนคือปัญญาของพระพุทธเจ้าได้หมดเวลาไปทรงแสดงในสำนักใดผู้ที่ฟังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมากันพร้อมๆกันเลยท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งไปแสดงให้กับพวกที่ พวกที่มีรัิบูชาไฟหลังจากที่ทรงแสดงพระอริยาาสัจสี่ให้เขาฟังเขาก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาพร้อมกันทั้งห้าร้อยรูป mm hmm. นี่เขาเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งขามีศีลมีสมาธิเต็มร้อยอยู่แล้วสิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาพอได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ mm hmm. ก็ทำให้ใจของเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ ทำให้จของเขาสร้างความสุขที่เป็นประมังสุขขังขึ้นมาได้ทันทีนี่คือบัวเหล่าที่หนึ่งบัวเหล่าที่สองก็คือพวกไหนก็พวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิยังกำลังเจริญสมาธิอยู่ยังฝึกสมาธิยังทเจริญสติอยู่บริกรรมพุทโธหรือเฝ้าดูร่างกาย ทุกエリアบทการเคลื่อนไหวเรียกว่ากายกตาสติหรือหรือวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิได้ตรงนี้ก็ต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนถ้าได้สมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังพระอริยสัจ ส, สีก็จะได้ปัญญาก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้นี่เป็นบัวเหล่าที่สอง สัวนบัวเหล่าที่สามก็คือพวกที่อยังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิกําลังฝึกรักษาศีลกันอยู่รักษาศีลได้บ้างไม่ได้บ้างบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้สมาธินี้ก็อย่าไปพูดถึงเลยถ้าศีลยังไม่ได้นี้สมาธินี้จะยังไม่มีวันที่จะได้ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน และการที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องใจเป็นฐานก่อนใจต้องเสียสละใจต้องไม่หวงไม่โลภ ก, กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆถ้าตามใดยังมีความโลภความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตามนั้นจะรักษาศีลยากพราะยังอยากจะได้รับยังอยากจะเจ็บรักษาทรัพย์ของต่อนไว้ซึ่งอาจจะต้องทำให้ต้องทําบาป ในบางเวลาเพื่อจะได้ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือต้องด้อยเก็บรักษาเอาไว้บางครั้งอาจจะต้องโกงบ้างต้องโกหกบ้างอย่างนี้เพราะยังมีความโลภยังมีความอยากได้ทรัพย์ถ้าอยากจะรักษาสีนให้ได้บริสุทธิ์นี้ต้องตัดความโลภความอยากได้ทรัพย์คือธรรมะกินทำได้แต่อย่าไปโลภ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องการความร่ำรวยต้องการพอมีพอกินเท่านั้นถ้าทามาหากินแบบพอมีพอกินนี้ไม่จาเป็นจะต้องทำบาตรทำกรรมรักษาศีลได้แต่ถ้ายังมีโลภยังอยากได้เงินมากๆเพื่อจะได้เอาเงินทองไปใช้ไปซื้อความสุขต่างๆหรือเพื่อจะได้มีหน้ามีตาให้คนอื่นเขาเคารบนับถือไม่ดูถูกดูแคลนว่าเราเป็นคน ยากจนอย่างนี้ถ้ายังมีความโลภอย่างนี้อยู่ก็จะรักษาศีลได้ยากดังนั้นผู้ที่อยากจะรักษาศีลต้องใจต้องสะใจต้องไม่อยากล่ำอยากรวยไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากจะให้ใครยกย่องเคารพนับถือไม่อยากใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ หาเงินทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นถ้าถ้าหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้จะไม่ต้องใช้เงินมากจะไม่ต้องทำบาปจะต้องจะรักษาสินได้อย่างง่ายดายนี่คือกลุ่มที่สามต้องรักษาสีลให้ได้ก่อนพอเมื่อรักษาศีลได้แล้วก็จะสามารถจเจริญสติจเจริญสมาธิได้ พอได้สมาธิแล้วพอได้สัมผัสกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าถึงประอริยสัจจีก็จะบรรลุได้นี่เป็นบัวเหล่าที่สาบุคคลกลุ่มที่สาบุคคลกลุ่มที่สี่ก็เป็นบุคคลที่ไม่สนใจยายดีกับเรื่องการทําทางกับเรื่องการรักษาศีกกับเรื่องของการนั่งสมาธิของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่ยังติดอยู่กับบ่วงของอบายามุขต่างๆนั่นชอบเจ็สุรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนพบคนชั่วเป็นมิียดคาา้านชอบทำบาปทำการภฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดเวนีพูดปกรธมดเทสโกหกหลอกลวงนี่คือบุคคล่มที่สีหรือบัวเหล่าที่สี บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมของพ่พระสัจได้เลยเพราะจะไม่มีศรัทธาสารเชื่อเพราะจะคิดว่าเป็นเป็นคำโกโหกหลอกลวงหรือจะมองเห็นว่าทำไปแล้วไม่ได้ความสุขไม่เหมือนกับการได้ดื่มสุรายาเมาได้เล่นการพนันได้เที่ยวกลางเปือย ได้ความมีความสิทธิ์การตรงนี้เขาจะเห็นกับตาลราเอเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นนรกว่าเป็นสวรรค์บุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่จะไม่มีวันที่จะได้รับแสงสว่างแห่งธรรมได้รับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งถ้าจะได้ก็ได้แต่พระพุทธรูปค่อยคอเท่านั้นเอง การมีพระพุทธรูปห้อยคออนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธธรรมผสมถ้าห้อยพระแล้วยังดื่มสลรายังเล่นการพนันยังเที่ยวกลางคืนยังคบคนชั่วเป็นมิตรยังมีความเกลียดชังอยู่ห้อยไปก็หลักคอไปต่อๆอย่าห้อยไปให้เสียเวลาการห้อยพระนี้ไม่ได้เป็นสานะเป็นที่พึ่งแต่เป็นการเตือนสติเป็นการเตือนใจให้เราคิดถึง คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่ห้อยคอนี้มีหน้าที่ทิึงเทนี้แต่ไม่สามารถปกป้องให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตายแล้วไม่ให้ไปนรกได้นี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธรูปที่เราห้อยคอกันไว้พระพุทธรูปที่เราห้อยไวน้นี้ไว้เพื่อเตือนสติเตือนใจให้เรารำเลกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้เราเลิกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าของพระอานานตสาวงทั้งหลายให้เราเลิกถึงพระธรรมคาสอนที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติทําบุญละบาสหยุดความอยากต่างๆอันนี้คือหน้าที่ของพระพุทธรูปที่เราห้อยขอไว้ดังนั้นเราต้องศึกษาพระพุทธประวันพระสาวกประวัน เพื่อเราจะได้รู้วิถีชีวิตการนำเนินของท่านว่าท่านนำเนินอย่างไรจึงทำให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทำให้ท่านเป็นพระอาหารหันตส า, าวกขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเกิดในวงังมีความสุขรอบด้านในเรื่องรูปเสียงกลิ่ น, นโน้นโผดัพระแต่พระองค์กลับมีความทุกข์ใหญ่ไม่สบายใจเพราะทรงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ เห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวช น, นี่คือเทวทูตสี่เครื่องเจิญสติให้พระพุทธเจ้าเตืนจากความหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพอทรงเห็นเทวทูตสี่พระก็ทรงเห็นทางออกเห็นทางออกจากการเกิดแก่เจ็บตายทางออกก็คือการไปเป็นนักบวช น, นั่นเองจึงทรงสละราชสมบัติ จะเดรดออกบวชเจริญศีลสมาธิปัญญาเดินได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลังจากที่พิจารณาเห็นว่าตัเองเกอนมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่หยุดการเกิดก็จะต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วพอได้พบกับสั ม, มณะนักบวช คือได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระสาวกที่ได้บรรลุแล้วพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็เกิดศรัทธาออกบวชกันปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ก่อนจะออกบวชก็สละสมบัติข้าวของเงินทองทั้งหลายไปหมดนี่เป็นการทำทานที่ยิงย่งใหญ่ของชีวิตทำหนเดียวทำแล้วไม่ต้องทำอีกพอออกบวชแล้วทีนี้ไม่ต้องมา ยุ่งกับเรื่องการทาบุญทำทานเนะี่ยทีนี้มายุ่งกับการรักษาศีลมายุ่งกับการภาวนาเจริญสมถาภาวนาคือสมาธิและเจริญวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาจนกว่าจะได้ตัดสรู้หลุดพ้นจากความทุกข์นักบวชที่แท้จริงไม่ต้องทาทานแนละ้วไม่ต้องไปใส่บาตไม่ต้องไปจัดผ้าปา่าไป ทำงานบุญต่างๆอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชนักบวชได้ทําบุญไปหมดแล้วเงินทองหมดแล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วไม่ต้องไปเรียรายของเงินชาวบ้านเพื่อที่จะมาทอดผ้าป่าทอดกระถิ่กันอันนี้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านหรือของคนที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่แต่นักบวชนี้สละหมดแล้วเข้าของเงินทองมีสมบัติเหลืออยู่เพียงแปดชิ้นเท่านั้นก็คืออัฐบริขาร หน้าที่ของนักบวชไม่ใช่การหาเงินหาทองมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรต่างๆหน้าที่ของนักบวชมีหน้าที่สร้างมรรคผลนิพพานเท่านั้นยกเว้นนักบวชที่ได้ดลุดพ้นจากการเรียนไหวตายเกิดแล้วได้บรรุมรรคผลนิพพานแล้วปรากฏมีศรัทธาที่เคารพนับถือถวายจะตุกปัจจัยเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆ ท่านก็จะเอาไปสงเคราะห์โลกต่อไปแต่การทําบุญของท่านไม่ได้ทําบุญเพื่อตัดภพตัดชาติตัดกิเลสปัญหาเพราะท่านตัดไปหมดแล้วท่านทําไปเพราะว่ามันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อได้มาแล้วไม่ได้ใช้จะเก็บไว้ทําไมเพื่อเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหนื่อย น, นอนเท่า น, นั้นเองแต่ตัวท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการ สงเคราะห์โลกจากการทำบุญเพราะบุญของท่านมันมีเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วต่อให้เทน้ำเข้าไปอีกอกี่ขวดมันก็ได้แค่นั้นน้ำมันจะไม่ได้มากขนานั้นมันจะล่นออกมาหมดในย่านใดใจที่เป็นนิทานแล้วเป็นปรมังสุขถังแล้วนี้ต่อให้ทำบุญอีกมากมายกายกองเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่ได้ทำให้ใจมีบุญเพิ่มมากขึ้นใจอย่างใด ที่ทำไปก็เพราะว่าอยู่ในอยู่ในภาวะที่ต้องทำก็มีคนให้เงินมาแล้วจะทำยังไงจะเก็บเอาไว้หรือจะเอาไปฝังดิน ม, มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เอาไปทำประโยชน์สงังเคราะห์โลกต่อไปเท่านั้นเองนี่คือการศึกษาพราะพุพะทธธรรมประสงค์เพื่อที่เราจะได้รู้วิถีชีวิตการดำเนินของท่านเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติให้เราทาอะไรกัน สิ่งที่ท่านสอนก็คือให้ทาบุญละบาปหยุดความอยากต่างๆด้วยการภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาละหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าปฏิบัติได้ทั้งสามข้อนี้ก็จะมีพระพุทธพธรรมพระสงค์สถิตอยู่ในใจเป็นที่พึ่งจะปกข้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแก่วความเจ็บความตายเรื่องของการพลาดจากกันจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบจากบุคคลที่รักบุคคลที่ชอบจะไม่เป็นปัญหากับใจของผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สะติตยอยู่ภายในใจใจนั้นจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเจริญรัศมอของราดยศรสรนญสุขทั้งหลายในโลกนี้เพราะไม่ได้ยึดไม่ได้ติดเป็นเหมือนบัวน้ำบนใบบัวนี้เอง บัว น, นี้จะน้ำจะไม่ซึมเข้าไปในใบบัวเพราะบัวไม่ดูดน้ำใบบัวไม่ดูดน้ำใจของพระอรหันต์ก็ไม่ดูดราบยศสรรเสิญสุขเพียงจะสัมผัสรับรู้เท่านั้นเองดังนั้นราบยศสารเรสิญจะเจริญหรือเสือ่อมก็จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงใจของพระอรหันต์ได้แต่ใจของปุถุชนนี่ไม่ได้เป็นใบบัวแต่เป็นเหมือนกระดาษซับ กระดาษซึมพอหยดน้ำเข้าไปทีน้ํากระดาษซับนี้จะดูดน้ําหายไปหมดเลยนี่คือใจของปุถุชนพอสัมผัสกับลาบยศสารเสริญสุขก็จะดีอกดีใจเหมือนขึ้นสวรรค์พอสัมผัสกับการเสื่มลาบยศสารเสริญสัมผัสกับความทุกข์ก็เหมือนกับตกนรกเลยอันนี้คือใจของปุถุชนเพราะยังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มาแยกใจให้ออกจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ให้หลงยึดติด ก, กับความสุกและความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายนี่คือเรื่องของพระพุทธประธานพรสงฆ์เรื่องของสารณะที่เพิ่งที่พวกเราเข้ามาหากันขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วขอให้เรานำเอาไปปฏิบัติด้วยความวิริยะอุสาห รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ที่พึ่งทางใจจะได้ดุดพ้นจากความทุกข์ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาก็ขอยึติเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พรเลยยะ ท้าวาวิวะหาปุราปะวิปุเรนติสักาลงเอวเมวะอิตตจินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังสุมหังพิพัมเมวะตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาระโสยาทามนิโตรติปะโสยทัสัพพิติโยวิวชัชจาตุ สัพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตาายยสุขีทีพายุโพปภวอะภิวาทานศีลสานิจังวุธาปจายโนยัตตาโรธมมมวัานติอายุวโนสุขังลัง